มันก็มันถ้าหาว่าคดโกงแบบที่เรียกว่าไม่มีคำไม่มีผลก็โกงอย่างหน้าชื่นตาบานทุจริตทําได้อย่างที่เรียกว่าไม่มีหีริโอตาปะเลยนั่นอย่างคนที่ผิดศีลข้อ3ก็เหมือนกันเนะพันก็อย่างว่าเก็บสถิติในการผิดการเมสุมิจฉาจารว่าสามารถทําได้มากขนาดไหนภายในหนึ่งเดือนนี่นะภายในหนึ่งปีเนี่ยทำได้ชีวิตนี้จะต้องการเมอี ก, กี่ครั้งอะไรพวกนี้มันทำสติเอาไว้ประจําตัวเลยเพราะฉะนั้นอันนั้นก็เกินไปเพันธุ์ถ้าใครที่เกิดมาในยุคสมัยที่ ผิดพลาดเนี่ยยากเฉะนั้นถ้าเป็นคนเป็นมิจฉาทิฐิแล้วก็แก้ยากเพราะฉะนั้นขณะที่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่สมัยที่จะประพฤติพรหมจรรย์เป็นไปได้หรือที่เราจะไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะว่านึกถึงว่าพระอริยบุคคลหลายท่านก่อนที่จะมาบรรลุมรรคผลก็เป็นมิจฉาทิฐิดีว่าเกิดในสมัยพุทธเจ้าถ้าไม่เกิดในสมัยพุทธเจ้าแล้วใครจะโปรดเขาได้เนอของเรานี่ถ้าไม่ใช่สมัยที่มีพระพุทธศาสนาแล้วใครจะปรดเรานะนะแล้วใครจะสงเคราะห์เราแล้วเราจะมีคําสอนอะไรเนา มันถ้าเราสังถามใจเราเองเถอะบ่แม่แน่ใจขนาดไหนทุกคนรับผิดชอบตัวเองอยู่แล้วหล่ะว่างแต่มั่นใจขนาดไหนอะแล้วเอาอะไรมามั่ น, น่ะคะนันี้แหวนเพชรแหวนพลอยแหวนตะกัวแหวนอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะมันถ้าจำคำสอนไม่ได้มิอยาคิดนะว่าจะมั่นใจอะไรได้ซักอย่างถ้าไม่มีอัตตะสัมมาปณิทิไม่เจริญมงคลเอาไว้ให้เพียงพร้อมมีอะไรมั่นได้หรอกเน่นะหลุดหมดอะกัน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 ยังหลายคนมาบ่นให้ฟังแบบโอ้ไม่รู้ท่านพูดอะไรก็ไม่รู้เข้ามังอ่ะพูดฟังได้ยินแต่เสียงไม่รู้ว่าท่านพูดว่าอะไรพูดให้เป็นอะไรเขาฟังไม่เข้าใจเลยครับอะอันนี้เขาเรียกว่าไม่รู้อัตตาแห่งสุภาษิตทุพภาษิตไม่รู้ดีรู้ชั่วเลยฟังแล้วไม่รู้เรื่องและหลายคนบอกไม่อยากจะรู้เรื่องด้วยนี่สิมันก็เลยหนักมากไอ้ฟังก็ไม่รู้แล้วไม่อยากจะรู้ไม่ต้องอธิบายไม่ต้องมาใส่ใจใครขอร้องให้ท่านแนะนําอะไรหนักขนาดนั้นนี่ก็มีท่านก็ถ้าเป็นคนลักษณะนี้เนี่ยนะ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 ไม่ได้ชันใดถ้าภาชนะไม่ดีก็รองรับน้ำมันราชสีไม่ได้ชันใดใจที่ขาดปัญญาก็ไม่สามารถที่จะรองรับพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณรองรับอธิสีนอธิจิต อ, อธิปัญญาไม่สามารถที่จะรองรับสมถาวิปัสนาอภิญญามักผลนิพพานได้หรอกเพราะฉะนั้นจะต้องมีจิตที่มีคุณภาพเนี่ยนะพราะเรารู้ได้ยังไงว่าชาติต่อไปใจของเราต้องคุณภาพ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 คนดีคนเก่งคนฉลาดคนมีความรู้ความสามารถมัวแต่ทํามาหากินอย่างเดียวพอทําคิดว่าพออยู่พอกินตายพอดีเลยวันก่อนไปงานศพคุยโอมคนหนึ่ง<ม>เขาบอกว่าเนี่ยนะเขาเนี่ยกับภริยาของเขาเนี่ยทามาหากินตอนนี้ก็พอลืมตาอ้าปากได้แล้วกําลังเสเวยสุขเขาก็มาจากผมไปเขางั้นเชื่อหรือว่าผมจะอยู่เงาคนเดียวต่อไปเนี่ยนะก็หาคนใหม่ต่อไปเองนั่นแหละแต่ก็คิดเธอว่าถ้าหากว่า วันนี้นั่งคุยกับโยมคนหนึ่งเขเริ่มมาสนใจธรรมะเหตุผลเขบอกว่าเพื่อนรักพึ่งตายกานันมันก็นั้นถามว่าเราถ้าตายไปแล้วทําอะไรได้คือบางคนเนี่ยนะมัวแต่ยุ่งเรื่องธรรมมาหากินเลี้ยงดูครอบครัวก็เรียกว่าตกเข้าไปในวังน้ําวนเมาหมดเลยกันเนี่ยถึงจริงๆแล้วความรู้ความสามารถสติปัญญาพอที่จะเข้าใจคําสอนได้แต่ว่าเอาไปใช้ผิดประเภทหมดเรียกว่าเหมือนกับว่ามีทุนพอที่จะซื้อซื้อของมีค่าได้ แต่ว่าไปกระจายละเลงกับน้ำเมาเป็นต้นหมดแต่ก็เรียกว่าใช้เงินผิดประเภทฉันใดหลายคนมีปัญญาแต่เอาไปจำอะไรก่อหม่รู้จำในเรื่องที่ไม่ควรจำไปรักษาในสิ่งที่ไม่ควรรักษาเนี่ยนะไปจำเดรฉ า, านกระถาร้องเพลงได้เพลงแล้วเพลงเล่าร้องได้เป็นร้อยๆเพลงเนี่ยนะแล้วมันทำให้บรรลุอริยาาสัจข้อไหนได้บ้างมันก็ไม่รู้ไปได้เนี่ยนะมีความสุขกับการร้องรําทําเพลงเต้นรําดูงานคอนเสิร์ตไปถ้าถามมาแล้วหมดเวลาชีวิตไปเรียบร้อยแล้ว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 แล้วที่เหลือก็กลายเป็นว่าอะไรตาถ้าเขา้าเขาคุนคุคนเรียกตาอะไรตาถั่วไปแล้วเนี่ยนะทาอะไรได้แล้วถ้แ ต, ตาไปดอกก็มองมาเห็นแล้วมันก็ต้องพยายามที่จะแบ่งเวลาขวนขวายเพราะปัญชติปัญญาก็พอมีความรู้ความสามารถก็พอมีแต่ใช้ของผิดประเภทก็เลยกลายเป็นตอนท้ายก็ บ, บน่นว่าเจอไม่งามเมื่อยามขวานบินไปฟันหินฟันอะไรสารพัดชนิดหมดแล้วเนี่ยนะไปจ้ามขยะมูลฝอยเต้นใจไปหมดรกใจไปหมดเลยนะ เสรแล้วมาเจอสาระเอาบอกวัตทุกเต็มแล้วเอาก็ทิ้งของเก่าบอกมันทิ้งไม่ได้เคำว่างั้นนะอนุรักษ์นิยมอีกเก็บไว้ตั้งนานจะให้ทิ้งได้ง่ายๆยังไงก็งั้นเนี่ยนะเขาอุตส่าห์ไปจําเรื่องโน้นเรียนเรื่องนี้ออ้ยมาตัวชั่วชีวิตของเขาเนี่ยเอาก็มันขยะไม่ใช่หรอเขากเก็บรักษามานานก็ทิ้งไม่ได้หรอกเคำว่างั้นเออมันได้อย่างงี้สิเข้าก็เจอหลายๆคนเข้าไปเนี่ยโอ๊ยขอข้าพเจ้าอย่าได้เป็นเช่นนั้นเลยตอนนี้ชักกลัวนะกลัวอายุมากไอ้กลัวนี่ไม่ได้กลัวแก่หรอกกลัวว่า ถ้ายุมากแล้วเรากลัวจะไปเป็นคนแบบนั้นเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนเนี่ยนะบอกว่ามันฆ่าตัวตายชัดๆฆ่าตัวตายในสังสารวัตรแบบเลือดเย็นอะไรเงี้ยแม่สงสารจริงนะจําได้แต่ความหลังที่ไม่ได้บุญอะไรเลยเนี่ยนะไปที่ไหนก็พูดอยู่แต่เรื่องไม่เป็นเรื่องกันนะพูดแต่ขยะมูลฝอยความเลวร้ายที่ตัวเองไปทํามาดีไม่ตายตอนนั้นไปนระกแน่นอนเหมือนนั่น ก, นนก็หลายๆคนเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะสงสารตัวเองเหมือนกันให้เยอะๆนะว่าเราเนี่ยเก็บสาระให้กับชีวิตเราขนาดไหนเนั้น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 เช่นทีนะมิทธานิวรกลุ่มรุมเป็นต้นเป็นสมัยที่ต้องยกด้วยธรรมวิจยะวิรยิยะและปีติสัมโพชฌงถ้าไม่มีข้อมูลโพชฌงเหล่านั้นเอาอะไรมายกถ้าตอนไหนที่ใจฟุง้งซ่านเป็นสมัยที่จะต้องข่มด้วยปัสสัทธิสมาธิและอุเบคาสัมโพชฌงถ้าไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับโพชฌงเหล่านี้นเลยแล้วเอาอะไรมาข่มจิต และทีนี้จิตของเราแล้วเราเปิดข้อมูลให้เราเรียนรู้อบรมคุณธรรมพอที่จะฝึกจิตยกจิตข่มจิตกําหนดทิศ ท, ทางของใจเนี่ยนะให้ไหลไปตามกระแสโสตาปฏิยังฆาธรรมถ้าไม่มีการกําหนดแบบนั้นและยากว่มงอนกันเถอะมันก็อย่างว่านะครับว่าไปคบคนมีศีลมีธรร ม, ม, รรมบอกอย่าลืมกรวดน้ําให้มั่งเนิรเนี่ยนะหลายคนก็บอกหวังว่าเออเนี่ยถ้าเราตายไปแล้วเผื่อเขาจะกรวดน้ําอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เราบ้าง ถ้าพอดีเกิดชาตินั้นหูหนวกเข้าไม่ได้ยินเสียงอุทิศส่วนกุศลจะทำยังไงเข้าคั น, นี้เอามันก็ลำบากเหมือนกันนะมันก็ต้องพยายามคว้นขวายในการเจริญกุศลให้เต็มที่สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของขอ ง, ของตนหรือเราใจดำอมมหิทธึงขนาดว่าไรา้ความเมตตาปราณีกับตัวเองช่างมันช่างเพือกช่างมันไปเรื่อยๆท่ายางงี้ก็ขอมาว่ามันอยู่คนละณะนะโลกมันกล ม, มอยู่คนละข้างมันดีที่สุด ให้มันแบบจืนตรงไหนก็ให้มันข้างกันตลอดเลยนะไม่มีโอกาสโครจรไปเจอกันเลยคนประเภทนั้นคนที่น่าสงสารที่สุดเนี่ยนะโดยเฉพาะถ้าคนนั้นจะเป็นเราด้วยจะน่าสงสารขนาดไหนว่อาอา้าวทำไมพูดอย่างนี้แล้วจะเป็นอย่างอื่นได้ น, นี่พูดอย่างนี้ได้เพราะคําสอนทิ้งคําสอนเมื่อไรก็พร้อมที่จะเป็นอื่นไปได้หมดอนะันนี้มีสาระหรอกนะเหมือนกันอาศัยสาระพระันธะแล้วเราให้ใจของเราเป็นไปกับสารณะได้บ่อยขนาดไหนถ้าเราไม่ไม่ให้ใจของเราเป็นไปกับสาระนะ ใจที่ไปคิดทุกเรื่องนั่นคือการเพราะเชื่อหมดเลยเพาะเชื่อที่มันสามารถแปลสภาพไปเป็นอะไรก็ได้ใจของเราเนี่ยมันพร้อมที่จะแปลไปได้กับทุกเรื่องได้หมดเลยเพราะฉะนั้นจะต้องมากําหนดกฎเกณฑ์กําหนดทิศ ท, ทางให้มันดีๆไม่งั้นก็เราก็เห็นแต่ความฟุ้งซ่านที่มีอยู่ในใจเนี่ยลำบากแล้วละ่ะเพราะฉะนั้นขณะและสมัยที่ไม่ใช่เวลาที่จะประพฤติพรหมจรรย์มีแปดอย่างหนึ่งเกิดในนรกสองเดรัจฉานสาเปรตส สี่เป็นอสัญยาสัตว์ห้าเป็นพวกมิลขะปั จ, จันตชนบทเผ่าไหนาก็ไม่รู้แล้วก็หกเป็นพวกมิจฉาทิฐิถึงจะอยู่ใกล้วดัดใกล้พระไตรปิฎกก็ไม่มีประโยชน์7ปัญญาอ่อนเนี่ยนะปัญญาอ่อนโง่เข า, า, างมงายพิการทางสติปัญญาเนี่ยนะแปดไม่ยอมสนใจพระธรรมเลยเนี่ยนะหัวดีสติปัญญาดีฉลาดดีแต่ไม่ยอมขวนขวายในการศึกษาเลยชอใช้ชีวิตเปลืองไปวันวั น, วนหนึ่งหมดสิ้นไปวัน ว, นวนหนึ่งกันนั้น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 อนิยานิโกุปัสสาวิโกปรินิพานิโกสัมโพธคามีสุขตปะปเวทิโตเนี่ยน ะ, ะพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองและพระธรรมที่ทรงสแสดงเป็นเครื่องนําออกจากทุกข์เป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพานเป็นไปเพื่อสัมโพธคามีตรัสรู้พร้อมคืออริยมรรตที่พระพุทธเจ้าประกาศแล้ว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 พระตารมโคตเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้ในการบางครั้งบางคราวเท่านั้นเดี๋ยวศึกษาพุทธวงศ์แล้วจะรู้ว่าบางกลับพระพุทธเจ้าองเดียวว่างไปอสงไขยกับบางทีหนึ่งอสงไขยมีพระพุทธเจ้าองเดียวอย่างเวลาหนึ่งสีอสงไข่เนี่ยนะอสงไขยที่หนึ่งพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสี่องค์ทีปางกรมีทางกรตันหังกรสารณังกรเนี่ยนะสี่องค์แล้วก็หมดไปหนึ่งอสงไขยผ่านไป พระพุทธเจ้าโกนัญญาเกิดมาอีกภายใ น, นหนึ่งอนึงสายแล้วผ่านไปพระพุทธเจ้ามังคละเกิดมาอีกหนึ่งอสงไขยบางทีบางอาสงไขยมีแค่องค์เดียวไม่รู้กี่หมื่นล้านกับโกดกับหลายๆโกดกับเนี่ยมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แค่องค์เดียวเท่านั้นบางทีเนี่ยภายในแสนกับมีกี่องค์เองเนี่ยนี่ก็พระพุทธเจ้าปทุมุตระเท่านั้นเองเนปะปฐุมุตระมาจนถึงปัจจุบันก็ไม่กี่องคเองเนี่ยตลอดแสนกับเพราะฉะนั้นต่อไปในอนาคตเนี่ย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 คลุตรงหัวบอกพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกแล้วก็เหมือนกับไปอยู่ทิศตะวันตกแล้วก็โยนบ่วงจากทิศตะวันตกคล้องมาถูกเตาตัวเดียวกันนั่นแหละครบพอดีเท่ากับการฟังธรรมแล้วก็สุดท้ายก็บอกว่าที่เหมือนกับว่าคนที่ยืนทะเลฝั่งเหนือเพราะนั้นฝั่งเหนือทะเลสุดแล้วก็คว้างบ่วงมาสวมคอพระนั่นการเห็นอริยสัจ ธ, ธรรมเพราะฉะนั้นที่จะประสบแบบนั้นเนี่ยถือว่ายาก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 สิ้นกาลนานเนี่ยนะก็ไหลไปเถอะไหลไปชาติแล้วชาติเล่าพบแล้วพบเล่าชาติชรามรณะโซกปริเทวะทุกขโทมานตุปายาก็มีทุกเป็นเบื้องหน้าแล้วมีทุกขอย่างลงแล้วทําฉนัยการทําที่สุดแห่งทุกจะมีชาติมีได้แก่เราได้ถ้าไม่พึ่งพระพุทธเจ้าแล้วจะพึ่งใครแล้วเนี่ยจะแก้ปัญหาออกจากวัตทุกขเหล่านั้นได้อย่างไรอยากเชื่อคําโกโฆษนาหลอกลวงง่ายๆมันไม่ใช่ง่ายอย่างนั้นหรอกนีนะ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 โพธิปักญยธรรมทั้งหลายไม่ใช่ที่ขณะที่หาได้ง่ายๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นชนเหล่าใดเดินตามมักคาคืออริยมัคที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้แล้วสังรวมในสีละสังวรที่พระตถาคตเจ้าประกาศพระองค์ผู้มีจักสุเป็นเผ่าพันธ์แห่งพระอาทิตย์แสดงแล้วคุ้มครองทวารในอินทรีมีสติทุกเมื่อไม่ชุ่มด้วยใจที่เศร้าหมองตัดอนุสัยที่เป็นกิเลสมีกาลังทั้งปวงเล่น อนุสัยที่แล่นไปตามกระแสบ่วงมานชนที่ปฏิบัติตามอธิสีนอธิจิตอธิปัญญาศิกษาตามที่กล่าวแล้วบรรลุความสิ้นอาสวะถึงฝั่งคืนนิพพานในโลกเนี่ยนะันนี้เป็นขณะพันเทวดาเหล่านั้นในสมัยพุทธการตอนที่พระองค์แสดงยมามกาปาิหันเขาดีใจว่าเขาได้ขณะแล้ว มันทุกคนมีปีติปราโมทย์กล่าวว่าพุโทโธพุโทโธด้วยความปราบปลื้มใจดีใจประคองอัญเชลีนอบน้อมมาพุโทโธพุโทโธเนี่ยดีใจมากเลยนะเรายังดีใจอยู่หรือเปล่าก็ไม่มทราบพุโทโธพุทโธเนี่ยนะนในหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบสองเนี่ยนะกล่าวถึงว่าพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายพระธรรมสังคีติกาจารย์เนี่ยนะกล่าวถึงรูปปัจจัย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 ปันพระองค์เนี่ยเป็นผู้ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนในพระรูปประกายพระรูปประกายของพระองค์นั้นประกอบพร้อมด้วยอะไรมัางเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปว่าพระองค์เนี่ยร่างกายประกอบด้วยมหาบริศลักษณะ32ประการอนุพยัญชนะ80ประการมีพระสมีที่ร้านออกจากพระวรากายเป็นต้นนั่นเองและขณะเดียวกันพระองค์เป็นผู้ที่มีศีลทั้งสีอย่างอนาปติโมขังโวณอินรีสังโวณ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 โลกิยะปัญญาไม่ว่าจะเป็นอาสาธารณญาณเป็นต้นเนี่ยนะโลกุตระปัญญาก็คือมักคปัญญาเพราะองค์เป็นผู้ที่ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนในรูปพกายไม่มีใครเสมอเหมือนในศีนสมาธิปัญญาวิมุต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 ก็ประมาณแสนล้านเท่ากับกําลังช้างประมาณแสนล้านนะนะหมื่นล้านแสนล้านนั่นแหละเท่ากับกําลังของผู้ชายทั่วไปเนี่ยนะก็คือสิบพันโกรธเนี่ยนะสิบพันโกดคิดเอาก็แล้วกันว่ามันมากแต่กําลังกายไม่ใช่เป็นตัวเห็นอริยสัจกําลังปัญญาเท่านั้นที่จะเห็นอริยสัจตรัสรู้ธรรมที่นําออกจากทุกเพราะฉะนั้นกําลังพระญาณนั้นหาประมาณมิได้กําลังพระญาณของพระองค์เช่นทศพลยาน สิบประการเนี่ยนะฐานาฐานายานเป็นต้นเนี่ยนะกำลังอะไรพระองค์เนี่ยมียานที่ทําให้พระองค์ถึงความแกล้าเรียกว่าจตุสาเวริชยานและพระองค์มีอักรรมปาาัญญายานที่ทําให้พระองค์เป็นผู้ไม่หวั่นไหวในพราหมบริษัทกษัตริย์บริษัทสมณบริษัทจาตุมดาวดึงยามามานพรหมบริษัทพระองค์ไม่ไม่หวั่นไหวไม่ขรั่นคร้ามในทุกสมาคม และพระองค์เนี่ยมีพระยานที่กําหนดแยกแยะ ก, กาเนิดทั้งสี่เรียกว่าจตุโยนิปริเฉทกายานยานที่กําหนดสัตว์ที่เกิดในครันเกิดในไข่เกิดในใเท่าใกลเกิดเป็นโอปปาติกะและรอบรู้กรรมที่นําไปสู่การเกิดเหล่านั้นฉะนั้นพระองค์จึงรู้ปัณจคติปริเชทกายานยานที่กําหนดรู้เลยว่าคติ5คติคืนนรกเดรชนันเปรตมนุษย์เทวดาทั้งหลายไปอย่างไรและพระองค์ยังมีพุทธยานอกีก สิพุทธญาณ14ก็คือญาณในอาสาธารณญาณ6ญาณในปฏิสัมพิทา4ีญาณในอริยสัจสี่เนี่ยนะก็เรียกว่าพุทธญาณ14บส า, าธารณญาณหญาณในปฏิสัมพิทา4แล้วก็ญาณในอริยสัจสีรวมเป็น14เรียกว่าพุทธญาณ14เพราะน์นกำลังของพระองค์ทั้งกําลังกายและกําลังปัญญาพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยกําลัง ส่วนกำลังพระยานอันหนึ่งที่เห็นชัดก็คือพระองค์ไม่มีผู้เสมอเหมือนในกำลังฤทธ์ในการประกาศพระธรรมจักรคือไม่มีผู้อื่นเสมอเหมือนในพระเทศนายานเพราะเทวดาเหล่านั้นก็เลยพากันนอบน้อมพระตถาคตว่าพระศาสดาพระองค์ใดมีพระคุณทางร่างกายและจิตใจที่กล่าวมาแล้ว พระาศาสดาพระองค์นั้นเป็นผู้นำเอกผู้นำผู้เดียวของโลกทั้งปวงขอท่านทั้งหลายจงนมัสการพระาศาสดาพระองค์นั้นกล่าวาว่าท่านทั้งหลายจงนมัสการพระาศาสดาผู้ประกอบพ ร, อร้อมด้วยพระคุณทุกยอย่างประกอบด้วยองคุณทั้งปวงเป็นพระมหามุนีมีพระมหากรุณาเป็นนาถะของโลกเย น, น, นะพระองค์นั้นนะสมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติทั้งโลกิยะและโลกุตระสมบัติทุกประการ ถ้ากล่าวแบบตอนเราอย่างนี้ก็คือพระองค์สมบูรณ์ด้วยปุพาจริยาคุณสมบูรณ์ด้วยพระสรีระคุณสมบูรณ์ด้วยพระพุทธคุณทั้งหลายสมบูรณ์ด้วยพระพุทธกิจทั้งหลายสรุปว่าสมบูรณ์ด้วยคุณทั้งที่ทเป็นโลกิยะและโลกุตระโดยประการทั้งปวงขอเราทั้งหลายจงร่วมกันนมัสการพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเหมือนกันผู้ถึงพร้อมด้วยพระพุทธคุณทุกอย่างเป็นมหามุนีเพราะเป็นมุนีที่ยิ่งใหญ่กว่าพระปเจกพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่กว่าพุทธสาวกทั้งหลาย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 ชนเหล่าใดผู้ควรแก่การไหว้พระองค์เป็นผู้ประเสริฐสดกว่าชนเหล่านั้นทั้งหมดเพราะผู้เสมอเหมือนกับพระองค์ไม่มีเนี่ยนะนก็กล่าวถึงพระองค์ผู้ควรแก่การกราบการไหว้ก็คงเป็นพรุ่งนี้ต่อไปก็แล้วกันจดจสำหรับวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้